บทที่1 2ึิตะวันบ่ายสาดแสงอารามสุขใสไปทั่วภูมิภาคทัศนวิสัยกระจ่างปลอดโปร่งยิ่งทำให้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างทั้งใกล้และไกลได้อย่างชัดเจนทั้งสามคนเดินไต่ทางอันเริ่มจะลาดชันขึ้นไปสู่ช่องเขาเสมือนหนึ่งใครมาตัดไว้เป็นถนนผ่านกำแพงภูผา อันกั้นเป็นทิวทยานเยี่ยมเมกไว้รอบด้านนั้นเพื่อทอดไปสู่ยังแผ่นดินอีกฝากหนึ่งตรงพื้นที่ต่ำริมทางที่จะขึ้นสู่ช่องเขานั้นซากของครโคโคดอนหรือเป็ดไดโดนเสาร์ทั้งสองตัวกองเรียรายอยู่ทั่วบริเวณลักษณะอันถูกฉีกเนื้อย่อยยับขยอกกินของเจ้าศัพท์ที่มีอิทธิพลเหนือกว่าและไม่ผิดอะไรกับซากของสเ ต, สเตโกซัส ที่ต่างเคยพบเห็นกันมาก่อนแล้วมันถูกจู่โจมเข้าขย่ํามขบอย่างดูร้ายกระหายเลือดโดยหนีไม่ทันทั้งสองตัวและตายลงอย่างรวดเร็วปราศจากการต่อสู้โต้อตอบใดๆทั้งสิ้นราวกับหนูที่ถูกแมวตะครุบจากนั้นก็ถูกฉีกเนื้อกินชนิดสดๆร้อนๆด้วยความตะกรากรามหิวโซและละโมบมู่มามเห็นได้ชัดจากร่องรอยที่ปรากฏอยู่ มันกินตัวหนึ่งยังไม่ทันจะหมดก็หันไปกินอีกตัวหนึ่งผานใหญ่ชี้ให้นายจ้างของเขาดูทราบอันหน้าสยดสยองอันเน็ตอนาดนั้นระหว่างที่ไต่ขึ้นมาบนขอบหินสูงก่อนจะบรรจบกับทางเดินใหญ่สันดานของมันจากรอยที่เห็นนี่ซอชัดถึงนิสัยอันชั่วร้ายกาดไม่ได้ฆ่าเพื่อที่จะหวังเป็นอาหารอย่างเดียวแต่มันจะฆ่าหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่มันพบเห็นไม่มีความจําเป็นอะไรเลย ที่มันจะต้องขย้ำแท็กโคโดอนเสียทั้งสองตัวในเมื่อเพียงตัวเดียวมันก็อิ่มพอแล้วนี่มันกัดเะทั้งสองตัวแล้วก็กินทิ้งกินคว้างสันดานคล้ายๆหมาป่านี่ก็ดีที่มีอยู่แค่สองตัวเท่านั้นถ้าเดินเส่้อซาเข้ามามากกว่านี้มันก็คงฆ่าตายหมดไม่ยอมให้เหลือและจอมพลานก็ชี้อธิบายประกอบข้อสันนิษฐานให้เชษฐาทราบว่าเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมานั้นควรจะเกิดขึ้นในลักษณะไหน ไทรรนโนซอรสัสหลบซ่อนซึ่มตัวอยู่ที่ใดและแทรโคโคดอนเคราะห์ร้ายทั้งสองตัวเดินผ่านเข้ามาทางด้านไหนโดยไม่ทันรู้ตัวจนกระทั่งได้ระยะที่มัจจุราชจู่โจมเข้าถึงขนาดของไดโนเสาร์ประเภทกินพืชและมีถิ่งอยู่ใกล้หนองน้ำคู่นั้นพอๆกระช้างที่ใหญ่เต็มที่แต่ก็เทียบกันไม่ได้เลยกับเจ้าพิภพไทรันซึ่งใหญ่กว่าหลายเท่าตัวโครงร่างลักษณะของร่างกาย ธรรมชาติก็ไม่ได้สร้างสรรค์ให้มันมีเขี้ยวเล็กเขี้ยวเล็บสำหรับที่จะต่อสู้อย่างใดได้เลยนอกจากเป็นสัตว์ประเภทที่ตกเป็นเหยื่อฝ่ายเดียวสำหรับสัตว์ ท, ที่มีอำน า, าจมากกว่าเมื่อมาพิจารณาใกล้ๆเห็นชัดเช่นนี้เชษฐาจึงเห็นด้วยกบมารียผู้เชี่ยวชาญทางโบราณชีวศาสตร์ที่ห้ามคณะทั้งหมดไว้ไม่ให้ยิงมันแม่มสาวคงจะศึกษาเรียนรู้มาอย่างดีแล้วว่าเจ้าสัตว์โบราณประเภทนี้ ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ใครทั้งสิน้นแต่ถึงอย่างไรขนาดและรูปร่างของมันเท่าที่มนุษย์โผลกมาเห็นก็ทำเอาตกใจขวัญหนีดีฝ่อไปเหมือนกันเสียดายที่เมบาดเจ็บและต้องนอนพักไม่ได้มาเห็นใกล้ๆกับเราด้วยมิฉะนั้นเขาคงจะอธิบายอะไรให้เราทราบได้ดีขึ้นอีกเกี่ยวกับสัตว์ประหลาดยุคดึกดาบันประเภทนี้หน้าตารูปร่างมันก็เหมือนเป็ดจริงๆนั่นแหละพิษกันแค่ไม่มีขนแต่ดันมีหางเหมือนพวกเหี้ย แล้วก็มีตีนอีกคู่หนึ่งอยู่ข้างหน้าก็น่าขอบใจมันนะที่มันเป็นหน่วยลาดตระเวนล่วงหน้าเข้ามาชิมลางก่อนเราผมว่าเราก็ควรจะนึกถึงบุญคุณของแรงไก่งวงตัวนั้นให้มากที่สุดด้วยนะครับรับพินบอกพร้อมกับบุ้ยปากขึ้นไปบนท้องฟ้าด้านที่เห็นพยาแรงบินร่อนอยู่นี่ทําไมได้มันคอยบินเป็นเงาตามตัวไอ้ยักษ์อยู่เราก็คงยังไม่รู้ตัวล่วงห น, น้าเน่นๆนหรอกว่าศัตรูของเราในดักซุ่มอยู่ที่ไหน มันทำหน้าที่เป็นสัญญาณเตือนภัยให้แกเราได้อย่างดีที่สุดเชอะเชถามองตามแล้วยิ้มตั้งแต่วันแรกที่มันบินตามเราแล้วล่ะน้อยกระชัยยันเขารำคาญลูกในตาจะยิงมันให้ได้ดีแต่เมห้ามไว้นี่ถ้าเรายิงแรงตัวนั้นซะเราก็คงหมดเครื่องสังเกตและอาจเสียเปรียบมันมากกว่านี้หวังว่าต่อไปนี้มันคงจะเลิกบินป้วนเปี้ยนอยู่ใกล้ทิศทางเราสัทีนะท่ามกลางแสงแดดแผดกล้า และลมที่พัดแรงอยู่เป็นระยะสม่ำเสมอทั้งสามคนเดินผ่านเข้าไปในระหว่างช่องเขาอันเป็นซอกอยู่ในระหว่างแนวขนาบสูงชันของภูเขาตัดซึ่งเป็นช่องทางกว้างประมาณ50บเมตรตรงกลางเป็นเส้นทางราบโล่งอุดมไปด้วยกรวดส่วนริมสองฝั่งเกะกะไปด้วยหมู่หิน ง, งอกงามตาร่องรอยอาศัยเป็นเส้นทางด่านของสัตว์ต่างๆในหินชัด ช่องทางซึ่งมองจากระยะห่างเห็นว่าเล็กแคบนิดเดียวเท่านั้นครั้นเมื่อกําลังเข้ามาเดินอยู่จริงๆก็ปรากฏว่ามันไม่ใช่ช่องเล็กๆอย่างที่ภาพลวงตาไว้เลยช้างทั้งขโขลงสามารถผ่านกันไปเป็นขบวนได้โดยไม่จําเป็นต้องจํากัดเรียงจํานวนหรือว่าเบียดเสียดเยียดยัดกันเกืบจะเรียกได้ว่าเป็นถนนมาตรฐานขนาดใหญ่ตัดผ่านเทือกเขาเชื่อมโยงแผ่นดินสองฝั่งและมีระยะทางยาวร่วมสองกิโลเมตรเป็นอย่างต่างํา ว่าจะพ้นออกไปสู่ที่ราบฝาาตรงข้ามซึ่งบัดนี้แลเห็นแต่ทองฟ้าสีเขียวครามและทิวเขาที่ห่างลิบลับออกไปไกลโพ้นเบื้องหนะ้าโดยยังไม่สามารถจะสังเกตเห็นภูมิประเทศอื่นใดได้ถนับนักเพราะการเดินอยู่บนช่องทางนี้ก็คือการขึ้นมาอยู่ในระดับส่วนหนึ่งของฐานภูเขาซึ่งสูงกว่าพื้นที่ราบต่าลงไปของฝั่งตรงข้ามในจักสุจึงยังไม่สามารถจะมองลงต่าเห็นได้เพราะพื้นที่บางไว โอ้โหดูครั้งแรกว่าช่องทางแคบแคบสั้นๆั้แท้ๆเจ้านี่มันไกลลิบเลยกว่าจะผ่านเส้นนี้ไปได้ถึงด้านโน้นเชษฐาครางออกมาเมื่อขึ้นมาเดินอยู่บนเส้นทางและเห็นภูมิประเทศได้ถนัดขึ้นภาพมันลวงตานะครับระพินตอบด้วยเสียงเรียบปกติสังเกตภูผาสองฝากทางไปทุกระยะด้วยสัญชาตยานพรานและนักเดินไพรชั้นเยี่ยมของเขา เราจะลืมนะครับว่าช่องทางนี้เป็นช่องทางที่ตัดผ่านเทือกเขาที่สูงยันแม่แม้ธรรมชาติจะเลือกตัดช่องไว้ในส่วนแคบที่สุดของเทือกเขาก็ตามความกว้างใหญ่ทั้งเขาของเขาทั้งเทือกก็ย่อมจะทำให้เส้นทางยาวออกไปเป็นธรรมดาผมกะดูแล้วว่าถ้าปราศจากเส้นทางนี้โดยเราใช้วิธีข้ามภายในหนึ่งอาทิตย์ยังไม่ทราบว่าจะข้ามพ้นหรือเปล่าและจอมพลานก็หันมามองหน้านายจ้างของเขา ระยะทางห่างไม่ใช่เล่นนะครับก่อนจะพ้นช่องเขาหนี่หรือว่าเราจะกลับไปพักซะก่อนพรุ่งนี้ค่อยเดินผ่านไปพร้อมๆกับพวกเราทุกคนเพราะถึงยังไงพรุ่งนี้เราก็ต้องเดินผ่านทางนี้อยู่แล้วเอาเป็นว่าแต่คุณเถอะเป็นการขืนเกินไปไหมเห็นบักโกรกอยู่เหมือนกันนี่เดินเหินก็ยังไม่ถนัดนักนี่สําหรับผมไม่ต้องห่วงครับผมชินแล้ะถ้าไม่ถึงกระลุกไม่ขึ้นแล้วก็เรื่องเดินเป็นเรื่องเล็กสําหรับผมครับ เกรงก็แต่ว่าจะทำให้คุณชายเหนื่อยเปล่าในการที่ผมชวนมานี่เท่านั้นแ่ะครับเชษฐท้าดูนาฬิกาข้อมือเปรียบเทียบกับองศาของตะวันเวลาเรายังเหลืออยู่อีกหลายชั่วโมงก่อนค่ำนะแล้วก็ไม่มีอะไรจะต้องรีบร้อนในตอนนี้ถึงจะกลับไปนั่งพักตรงแคมป์ของเราก็คงไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่านั่งคุยข้าวเวลาเอาเป็นว่าเราไปเรื่อยๆก็แล้วกันอย่างน้อยที่สุดไปให้ถึงสุดปลายทางเส้นนี้ก็ยังดีถ้าทะเลสาบมรณะ ไม่ห่างไกลออกไปมากนักเราก็จะไปกันให้ถึงที่นั่นเลยแต่ถ้าเห็นว่ามันไม่สะดวกจะทำให้เสียเวลามากเราก็จะหยุดกันเพียงแค่สุดปลายทางของช่องเขาขาดนี่แล้วก็กลับทางนั้นก็ตกลงครับโดยการเดินกันไปเรื่อยๆไม่มีอะไรจะต้องเร่งร้อนทั้งสามคนก็บรรลุถึงสุดปลายทางช่องเขาขาดนั้นภายในเวลาไม่นานเกินไปนักและเมื่อมาพักดื่มน้ากันอยู่ ยังปากทางอีกด้านหนึ่งก็เลยเห็นภูมิประเทศเบื้องต่ําลงไปได้ถนัดชัดเจนขึ้นมันเป็นทุ่งหญ้าสลับไปกับละเมาะไม้เตีย้ยเตีย้ยดาราดาษอยู่ทั่วไปซึ่งแตกต่างกันไปเป็นโรงข้ามกับภูมิประเทศป่าหินล้วนที่ผ่านกันมาแล้วร่วมอาทิตย์เต็มเตมสั ญ, ญลักษณ์แห่งชีวิตแลยเห็นได้อยู่ทั่วไปตามลักษณะแห่งความอุดมสมบูรณ์ชุ่มชื่นนั้นแต่ต้นไม้และพืชพันธุ์ที่เห็นก็คงมีลักษณะแปลกชวนพิษสวง อย่างไม่เคยพบมาก่อนอยู่นั่นเองไม่ว่าจะเป็นปามสนหรือแม้ประเภทพวกเครือเถาปราศจากต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ประเภทที่เห็นในดงดิบทางป่าล่างเรากบว่ามันจะเป็นป่าในจินตนาการบนผืนผ้าใบของจิตรกรผู้มีความฝันอันสวยสดงดงามละคนไปกับความลึกลับทิวเขาเขียวร a n g จรดขอบฟ้าประหนึ่งเขตชั้นจักรวาลอยู่ทางด้านเหนือ เหมือนระบายไว้ด้วยเส้นผู้กันบางๆส่วนทางด้านตะวันออกและทิศตรงข้ามแลนลิปลิวออกไปสุดสายตาไกลแสนไกลจนในที่สุดกลายเป็นความมัวมนอย่างว่างเปล่าสุดทำนายว่าจะไปสิ้นสุดลงที่ใดสามคนยืนพิจารณาเงียบๆกันไปชั่วขณะหนึ่งด้วยความตื่นตาแปลกใจต่อมาระพินก็คลี่แผนที่ออกดูในระหว่างที่เชิฐาใช้กล้องส่องทางไกล ราดสำรวจอย่างระวังที่ท่วนไปรอบด้านมีที่ลุ่มต่ำอยู่ทางด้านซ้ายเนี่ยนะผู้กองเชื่อว่าคงจะไม่ผิดเป้าหมายหรอกทะเลสาบมรณะที่ระบุในแผนที่ของมังมหานรธาต้องอยู่ทางด้านนั้นแน่ท่านหัวหน้าคณะชี้มือประกอบคำพูดสีหน้าแช่มชื่นแจ่มใสเห็นได้ชัดที่เรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่าในขณะนี้ก็คงเป็นเพราะละมะ่ไม้ที่เป็นทิวทึบนั่นบังไวถัดจากที่นี่ไป มันห่างไม่ใช่เล่นทีเดียวนะกว่าจะไปถึงละเมอะนั่นผมกะว่ามันเห็นจะไม่หนีห้าหกกิโลเมตรโดยตัดทุ่งหญ้านี่ไปละจอมพรานเงยหน้าขึ้นจากแผนที่และตามด้วยตาเปล่าและใช้เข็มทิศเล็กๆประจำตัวเทียบกับทิศทางแท้จริงโดยยุ ต, ตะวันเป็นหลักในขณะนี้ใช่แล้วครับคงไม่ผิดไปหรอกครับสังเกตภูมิประเทศทางด้านนี้เป็นเขชุ่มชื่นมากที่สุด แล้วก็ตรงกระทิศ ท, ที่แผนที่ระบุไว้ด้วยครับแล้วเขาก็หันมาทางแง่ทรายพูดตลอดเวลาอย่างเงียบสงบนี่แง่ทรายไหนก็บอกว่าพอพ้นปากทางช่องเขาขาดนี่แล้วจะแลเห็นทะเลสาบมรณะไม่ห่างออกไปนักไงละ่ะก็ไม่ห่างพ้นจากละมอ ท, ที่บังอยู่นั่นเข้าไปก็จะถึงบริเวณขอบบึงใหญ่แล้วเดินไม่เกินสองชั่วโมงก็ถึงเช็ดาหัวเราะออกมาเบาๆบ้ไอ้แกนี่ บางขณะ ก, ก็ยวนหน้าเซ่อเหมือนไอ้สางปลามกันนะไม่บอกนี่ว่าเดินแค่ไกลขันก็ถึงทะเลสาบมรณะห่างเกินไปกว่าที่เราจะเดินไปดูขนาดนี้นะหม่งั้นกว่าจะกลับถึงที่พักก็คําแน่เอาเป็นว่าหยุดกันแค่นี้แล้วกันพรุ่งนี้ค่อยไปพร้อมๆกันทั้งหมดฉันก็ชักจะขี้เกียจเดินซะแล้วสินี่จะรู้ว่าเดินไปแล้วต้องเดินย้อนกลับอีกขี้เกียจนะ่ะเสียดายที่เมย์เจ็บฉัในวันนี้ไม่งั้นเราคงจะเคลื่อนหน้ากันได้อีก พอมีเวลาเหลือพอรัพินอดไม่ได้ที่จะบ่นออกมาเบาๆแต่ผมถือว่าเราไม่ขาดทุนแล้วนะสาหรับวันนี้ในกรณีที่ล้มไอ้ยักษ์ลงได้สำเร็จจะได้หมดอุปสรรคข้อใหญ่ไปสะทีเป็นนั้นว่าเราเข้าถึงทะเลสาบมรณะเมื่อไหร่ก็เข้าสู่จุดหมายแน่นอนในลายแทงแล้วใช่ไหมครับเราจะเริ่มจับเส้นทางตามลายแทงโดยใช้ทะเลสาบมรณะเป็นจุดเริ่มต้นได้ทันทีครับ ต่อไปนี้จะไม่มีการเดินกันอย่างเดาสุ่มอีกแล้วเพียงแต่มุ่งเข้าหาที่หมายไปเป็นลำดับเท่านั้นความหวังนั่มองเห็นอยู่แค่นี้เองคืนนี้ผมจะอธิบายให้ทราบอีกทีนึงว่าจากจุดทะเลสาบมรณะเราจะเริ่มไต่ขึ้นเส้นทางด้านไหนเป็นลาดับไปเออคุณชายกระแงทรายพักอย่บนนี้ก่อนไหมครับทำไมคือผมอยากจะลองไต่ทางนี่ลงไปเดินตรวจอะไรตามบริเวณชายทุ่งข้างล่างใกล้ๆนี่ครับ รับรองครับว่าจะไม่ให้ไปไกลพ้นสายตาคุณชายนั่งอยู่บนนี้จะมองเห็นผมทุกระยะแล้ครับเชษฐาพยักษหน้าอนุญาตง่ายๆพรานใหญ่กำชับสั่งแง่ทรายให้นั่งคอยเป็นเพื่อนนายใหญ่แล้วตนเองก็ตัดทางอันสูงชันของซอกเขาไปลงไปอย่างทุ่งหญ้าเบื้องล่างร่างของเขาแลเห็นเดินดุมดุมไปตามรลอนสูงๆต่ำๆของทุ่งหญ้านั้น ในรัศมีสายตาของเชษฐาโดยไม่มีอะไรบงังและเขาก็ปฏิบัติตามสัญญาคือไม่เดินห่างออกไปมากนะักต่างมองเห็นกันได้ทุกระยะไม่ว่าจะเคลื่อนไปทางทิศใดระหว่างฝ่ายหนึ่งที่คอยเฝ้าจับตาอยู่บนที่สูงและอีกฝ่ายที่เดินอยู่ยังระดับต่ำและพื้นล่งเบื้องล่างเชษฐาใช้กล้องตรวจดูอยู่ตลอดเวลาท่านหัวหน้าคณะเห็นพรานใหญ่เดินมองตรวจดูตามพื้นตลอดจนยอดหญ้ายอดไม้เตีย้ย ระหว่างที่เคลื่อนไหวไปทางด้านต่างๆไงท า, ายผู้กองเขาดูอะไรนะรอยสัตว์ครับผมเข้าใจเช่นนั้นนะครับยิ่งกว่านั้นลักษณะของพืชต้นไม้และพื้นดินก็จะช่วยพรานใหญ่อย่างเขาประมาณการต่อสภาพของภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมได้ผู้กองระพินเป็นคนที่รอบคอบเสมอแล้วครับฉันรู้ว่าแกนทันเขาทุกฝีก้าวย่างทีเดียว เพียแต่ฉันถามแกเท่านั้นฉันก็รู้ได้ในทันทีว่าเขากําลังคิดหรือทําอะไรอยู่ยังกะแกเป็นตัวเขาซะอย่างนั้นเองเลยก็ถ้าอยากจะรู้ว่าแงซายคิดหรือทําอะไรอยู่ก็จงถามผู้กองระพินดูเถอะครับนายใหญ่ระหว่างผมกับผู้กองน่ะเราหลบซ่อนหรือเงินงําอะไรกันไว้ไม่ได้หรอกครับเขาน่ะเป็นตํารวจป่ามาแล้วผมเองก็เคยเป็นทหารป่าเขาเป็นพรานผมก็เป็นพราน แต่ผู้กองรพินน่ะเขามีความสุดจริตใจจริงแล้วก็ซื่อตรงแกล่ะมีบ้างไหมนายใหญ่ครับเวลาเท่านั้นที่จะเป็นเครื่องพิสูจน์ครับนี่ระหว่างแกกับฉันนะเราไม่ค่อยจะมีเวลาได้คุยกันนักหรอกนะแงสท า, ายแต่ถึงเช่นนั้นฉันก็คิดว่าฉันรู้จักแกได้ดีพอสมควรจากสิ่งต่างๆในบุคลิกภาพของแกเท่าที่ฉันเห็นฉันอาจจะไม่เท่าทันแกอย่างพรานใหญ่ก็จริง แต่ก็คงไม่โง่จนถึงขั้นที่จะมองข้ามสิ่งอันซ่อนเร้นอยู่ในตัวแกรกฉันบอกตามตรงว่าฉันชอบแกนับตั้งแต่วินาทีแรกที่แกเข้ามาขอสมัครร่วมทางมาด้วยแล้วผู้กองเขาอ่านใจฉันออกเขาถึงได้ยอมรับสมัครให้แกร่วมทางมาด้วยเพื่อเอาใจฉันนั่นแหละแง่สายก้มสีสะลงครับผมเข้าใจดีครับนายหยางแล้วก็สำนึกเป็นบุญคุณอยู่จนวินาทีสุดท้ายแห่งชีวิตแล้วครับ ถ้าไม่ใช่พระนายใหญ่ต้องการผมแล้วผู้กองย่อมจะไม่ยอมให้ผมมาด้วยเปน็นนันขัดแต่ไหนแต่ไรมาแล้วเขาไม่ค่อยจะชอบหน้าผมนักคิดระแวงอยู่ตลอดเวลาว่าผมจะเป็นอันตรายต่อเขาไม่เหตุผลอะไรนักหนาลละที่เขาจะต้องคิดเช่นนั้นเอาล่ะฉันขอถามในด้านความรู้สึกของแกแล้วกันอดีตร้อยโทรกองจนกระเรียงถอนใจเบาๆแต่ดวงตาทั้งคู่แจ่มใส ปราศจากร้อยวันกังวลใดๆทั้งสิ้นนายใหญ่ครับก็อย่างที่นายใหญ่ทราบมาแล้วนั่นแหละครับอดีตครั้งหนึง่งระหว่างผมและผู้กองระพินเราเคยเป็นฝ่ายตรงข้ามเราเคยรบกันโดยหน้าที่และเขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ประยุทธวิธีเขาก็คงนึกเจ็บใจตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าถ้าเขาฆ่าผมซะตั้งแต่ต้นมือผมก็คงไม่มีโอกาสนํากองทหารมาปล้นค่ายของเขาได้สําเร็จหรอก แต่แกก็ปล่อยให้เขามีชีวิตรอดตายในการโจมตีครั้งนั้นไปได้ไม่ใช่เหรอทั้งๆ ท, งที่ถ้าแกจะสังหารเขาซะก็ได้ครับนั่นคือความจริงที่ผมรู้อยู่แต่ในใจของตัวเองเป็นความจริงซึ่งเขาไม่สามารถจะมองเห็นได้และเมื่อผมพูดออกไปก็ยอมจากกลายเป็นการเอ่ยอ้างเพื่อหักลบบุญคุณของเขาที่ได้เคยไว้ชีวิตของผมไว้เก่าก่อนจากเป็นความมืดภูมิประเทศเป็นป่าเขาดงทึบ ตอนนั้นน่ะเขาวิ่งสมซานหนีศัตรูที่ล้อมฆ่าเข้ามาทุกทิศและผ่านแนวปืนกลกระบอกหนึ่งเขามองไม่เห็นนะครับว่าตรงนั้นมีปืนกลคอยดักเขาอยู่แล้วและก็ไม่มีโอกาสจะรู้ด้วยว่าใครคุมอยู่หลังปืนกระบอกนั้นอะไรเป็นสาเหตุให้ปืนกระบอกนั้นนิ่งสงบอยู่โดยไม่โปรโยกระสุนไปที่เขาปล่อยจนกระทั่งเขาแล่นลับลำห้วยปลอดภัยไปได้แล้วแกช่วยเขาไว้ทไม เอาเป็นว่าอย่าเรียกว่าช่วยเลยเรียกว่าปล่อยชีวิตให้รอดเอะทำไมถึงให้เขารอดไปได้ละ่ะในเมื่อขนาดนั้นเป็นเวลารบเหตุผลส่วนตัวไม่น่าจะอยู่เหนือเหตุผลทางหน้าที่นี่แกช่วยเา้าเพราะต้องการจะปลดหนี้บุญคุณยังงั้นเหรหาไม่ได้ครับบุญคุณของเขาที่เคยช่วยชีวิตผมไว้ก่อนะมีอยู่เช่นไรถึงเดี๋ยวนี้และตลอดไปก็จะไม่มีวันลบหายไปหรอกครับแต่ผมช่วยเขาเพราะผมรักน้าใจของเขา เขาเป็นลูกผู้ชายผมก็เป็นลูกผู้ชายเหมือนกันระหว่างที่ช่วยเขาไว้ผมก็ไม่คิดอีกเลยนะครับว่าจะต้องมาพบปะเกี่ยวข้องกับเขาอีกแล้วก็ไม่ได้หวังอะไรจากเขาทั้งนั้นฉันนะไม่รู้เรื่องราวส่วนตัวในชีวิตของเขานักหรอกนะจะเป็นไปได้ไหมที่เขาต้องออกจากราชการมาเป็นพรานป่าประกอบอาชีพส่วนตัวอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะสาเหตุมาจากราชการพิจารณาความบกพร่องต่อหน้าที่ ทำไม่ค่ายแตกเพราะถูกแกบุกโจมตีครั้งนั้นแล้วก็เลยทำให้เขาคลุมแค้นหวาดระแวงแกอยู่จนทุกวันนี้ในข้อนี้ผมก็ไม่ทราบหรอกครับผมไม่ได้ข่าวคราวเขาอยู่หลายปีหลังจากคืนที่เขารอดตายจากการโจมตีของผมในคืนนั้นแล้วมาได้ข่าวอีกทีก็ตอนที่เขามาเป็นพรานแล้วและผมเองขณะนั้นก็หนีออกจากกองโจงกระเรียงเร่ร่อนพเนจรไปตามป่าดงทุกแหง่ง โดยปราศจักจุดหมายปลายทางที่แน่นอนเราไม่เคยพบหน้ากันอีกเลยครับจนกระทั่งผมได้ข่าวว่าเขาจะมุ่งหน้าไปยังเทือกพระศิวะผมจึงเดินทางไปพบเขาที่หนองน้ำแห้งดังที่ในายใหญ่ได้เห็นผมเป็นวันแรกนั่นแหละครับเชี่าพยักหน้าช้าๆหวนนึกไปถึงภาพในอดีต ท, ที่เห็นแง่ายเป็นครั้งแรกแล้วหัวเราะออกมาเบาๆฮึตอนนั้นนะ่ะแกกล้ามากนะแง่า ย, ายที่บังอาจโผล่ไปพบเขาอีก พร้อมทั้งขอสมัครในครั้งนั้นด้วยแกไม่กลัวเลยเหรอว่าในฐานะศัตรูหรือกู่แค้นเก่าเขาอาจทมันตรายต่อแกได้หรืออย่างน้อยที่สุดก็อาจจะจับแกส่งตำรวจเง่ยสายยิ้มน้อยๆสันศีสะแช่มช้าผมเชื่อแน่ว่าคงไม่เป็นเช่นนั้นครับผมรู้จักผู้กองระพินรู้จิตใจของเขาขณะนั้นน่ะเขาไม่ได้เป็นนายตารวจตะเวนชายแดนไทยอีกแล้ว ก็เท่าๆกับที่ผมก็ไม่ได้เป็นทหารกองโจรกระเหลี่ยงอีกต่อไปเขาเป็นฟรานป่าผมเข้าไปหาเขาจนถึงถิ่นโดยถือความสุจริตใจจริงเป็นที่ตั้งและในด้านส่วนตัวเราก็ไม่เคยเป็นศัตรูกันมาก่อนนอกจากงานในหน้าที่บังคับถ้าเขาเป็นลูกผู้ชายจริงเขาก็จะไม่ทําอะไรผมเลยก็อย่างที่เขาได้ปฏิบัตินั่นแหละถูกต้องแล้วละ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเขายังกริ้งเกรงหวาดระแวงและคอยจับไว้จับพลิบผมอยู่ทุกฝีก้าวย่าง จึงเป็นเรื่องที่ผมไม่ได้ถือขุนเคืองเขาเลยผมถือว่าโชคยังเข้าข้างผมด้วยซ้านะครับเพราะมีคณะเจ้านายเป็นคนกลางร่วมอยู่ด้วยผมจึงได้มีโอกาสร่วมเดินทางมาในครั้งนี้แต่แกก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วนี่ว่าแกเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในคณะเดินทางของเราแล้วแกก็เคยช่วยฉันไว้แม้แต่การถ่ายเลือดให้คราวที่ฉันเคราะหร้ายขีดสุดครั้งนั้นถึงระพินเองนะเดี๋ยวนี้ฉันก็ไม่คิดหรอกว่าเขาจะระแวง หรือนึกถึงแกในแง่ร้ายใดๆทั้งสิ้นนอกจากความสงสัยในความลึกลับของแกเท่านั้นไม่มีอะไรที่จะลึกลับได้ในโลกนี้ครับผมเรียนนายใหญ่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นแหะครับขาดคําของแง่สรายร่างที่ไตย้อนกลับขึ้นมาของพรานใหญ่ระพินก็โผล่เงาหินออกมาให้เห็นในระยะใกล้และตรงเข้ามาเป็นไงได้ความยังไงบ้างล่ะผู้กอง เชถดถามยิ้มยิ้มกเกาะแห่งชีวิตที่คุณชายอนุชาตั้งชื่อไว้และเราผ่านกันมาแล้วก็ยังไม่อุดมสมบูรณ์เท่าทุ่งหญ้าเหนือทะเลสาบมรณะของมังมหานรธาครับสัตว์มากมายหรือเกินนะครับแถวนี้รอยเท้าย่ำเปรอะไปหมดเป็นพวกสัตว์ตีนกีบขนาดใหญ่และกินพืชแทบทั้งสิน้นและหลายรอยเท้าเป็นสัตว์ที่ผมไม่เคยรู้จักมาก่อนสงสัยว่าจะเป็นพวกไดโนขนาดย่อมย่อมทั้งหลาย เสียดายนะครับที่ผมไม่มีความรู้ทางธรณีวิทยามาก่อนแต่รู้สึกว่าผิวดินอันอุดมสมบูรณ์นี้ปกคลุมพื้นข้างใต้ที่เป็นหินอยู่ไม่หนาเกินไปนักแล้วก็จากเหตุนี้เองแหละครับจึงทำให้ต้นไม้ขนาดใหญ่ๆไม่สามารถจะขึ้นงอกที่นี่ได้นอกจากไม้พันล้มลุกที่อาศัยอย่างรากเพียงตื้นๆมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยนะผมพยายามส่องกล้องตรวจดูตามทุ่งนี่ ก็ไม่เห็นสัตว์อะไรสักตัวนี่ถ้ามันจะชุกชุมอย่างคุณว่าเราก็น่าจะเห็นฝูงของมันเดินเกะกะหากินอยู่บ้างอีกอย่างหนึ่งก็เป็นป่าเวอร์ชินไม่เคยมีใครรบกวนมาก่อนมันก็ไม่น่าจะตื่นกลัวกลิ่นของเราสมมุตินะว่ า, ถ, าถ้ามันได้กลิ่นขณะที่เราเดินมาแต่ถ้าลงไปดูคุณชายจะเห็นนะครับมันเยียบย่ากันไวแทบจะทุกตารางนิ้วของแผ่นดินทั่วไป มีทั้งรอยใหม่ๆเมื่อขณะฝนตกเมื่อเช้านี่เองผมคิดว่าที่มันหลบหายกันไปหมดอาจจะเป็นเพราะมันตกใจเสียงระเบิดเมื่อครู่นี้ล่ละครับถ้างั้นก็เหมาะละจะได้หมดปัญหาเรื่องอาหารว่าแต่มีวิเววของเจ้าพวกร้ที่จะเป็นอันตรายต่อเราบ้างไหมผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับรอยเท้าหลายชนิดบอกถึงความเป็นสัตว์ใหญ่ยุคดึกดาบรรของมันแต่ก็ไม่ถึงขั้นไอยักษ์ไทรนตัวนั้น พวกเก้งกวางและหมาป่าก็มากเชื่อว่าสัตว์จากแหล่งนี้แหละครับที่กระจายไปหากินที่โอเอซิสที่เราผ่านมาแล้วโดยอาศัยเดินผ่านเข้าออกทางเส้นทางช่องเขาขาดนี่นั่งพักสนทนาและดูภูมิประเทศกันอยู่อีกครู่ใหญ่ระพินก็ชวนนายจ้างของเขาเลและแง่ทรายเดินกลับพอเดินย้อนมาได้เพียงไม่เท่าไหร่ก็แลเห็นใครสองคนกาลังเดินสวนทางมาคนนึงผอมเกรงอีกคนหนึ่งสูงใหญ่ พอเข้ามาใกล้ก็จําได้ว่าเป็นขยินและจันทั้งสองโบกมือส่งเสียงทักทายโบกเวกเมื่อต่างเดินเข้ามาบรรจบกันสอบถามก็ได้ความจากจันว่าภายหลังจากที่เห็นระพินเชิฐาและไงทรายเงียบไปชั่วโมงเศษบารินกชั ย, ยันก็เลยให้ขยินและจันตามหลังมาดูลาดเราทั้งหจึงเดินกลับมาด้วยกันแดดโรยอ่อนแสงลงเต็มทีเมื่อกลับมาถึงที่พัก มาเรียนนอนหลับดารินก็นใช้ยันนั่งคอยปากทางช่องเขารอคอยการพลุกลับมาของบุคคลเหล่านั้นอยู่ก่อนแล้วเมีอาการปลอดโปร่งสบายใจขึ้นเมื่อเห็นทั้งห้าคนกลับเข้ามาถึงพร้อมๆกันดีแล้วล่ะที่กลับมาสะก่อนไปนานนักทางนี้เป็นห่วงแย่เลยอดีตนายทหารปืนใหญ่เอ่ยขึ้นภายหลังจากเชิดาเล่าถึงพื้นภูมิประเทศของอีกฝากหนึ่งให้ทราบแล้วหันมาทางรพิน เห็นมานานผิดปกตินะก็เลยให้ขยิงกับจันตามหลังไปที่แรกก็จะให้บุญคําไปแล้วละ่ะแต่มาคิดดูอีกทีเอาตาบุญคําเป็นเพื่อนไว้ที่นี่สักคนดีกว่าเป็นยังไงภูมิประเทศต่อไปของเราคงจะไม่กันดานยิ่งกว่าทะเลทรายซาร่าอย่างที่เราผ่านกันมาแล้วลนะผู้กองในความรู้สึกของผมเองนะครับเท่าที่เห็นต่อไปนี้เราคงจะผ่านไปในแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์และเดินได้สะดวกสบายพอสมควรแล้วครับ ก็อาจจะมีบริเวณกันดานยากลำบากมั่งแต่ก็คงไม่เท่ากับที่ผ่านมาแล้วแน่นอนครับขอให้เป็นเช่นนั้นเถอะพวกเราน้าทบจะล้มประดาตายกันทั้งหมดแล้วนะนายพรานด้ารินกล่าวอย่างระอาใจไหนคุณหญิงก็บนชะราก็ผมเป็นผู้กำหนดเส้นทางได้ตามใจชอบงั้นแหละว่าจะเดินได้ไปอย่างสบายหรือมหาวิบากผมไม่ได้กาหนดนะครับนี่พรานใหญ่พูดเรียบเรียบจะไปรู้เหรอ ก็คุณเป็นคนนำทางโดยสิทธิ์ขาดนี่บางขณะนะ่ะแง่ซ้ายอาจจะนำแต่ถึงยังไงคุณก็ต้องรับผิดชอบโดยตรงอะ่ะดารินรวนแต่แววตาระรื่นคนถูกรวนอยากจะต่อปากต่อคําด้วยเพราะเป็นความสุขทางใจชนิดหนึ่งแต่เห็นพี่สาวแต่เห็นพี่ชายกับเพื่อนคนรวนร่วมอยู่ด้วยก็เลยต้องทําเป็นเคร่งครึมไม่รู้ไม่ชี้ซะแล้วก็ปลีกตัวไปนอนหลับซะดือ้อปล่อยคณะนายจ้างของเขา สนทนากันไปตามลำพังดาริงจับตาสังเกตอยู่แล้วพอเห็นเลียงไปนอนไม่สนใจอะไรอีกเช่นนั้นก็จะให้งแง่ทายไปปลุกแต่เช็ถามปราบไว้นี่ปล่อยเขานอนตามสบายเหอะน้อยตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนี่บางทีตอนกลางคืนเขาอาจจะต้องคอยตื่นระวังให้เราก็ได้แอีกอย่างหนึง่งวันนี้น่ะเขาก็สะบักสะบอ ม, มากพอมาแล้วพอคิดถึงเหตุผลที่พี่ชายพูด คุณหมอคนสวยขี่หาเรื่องก็เลยเห็นจริงด้วยระงับอารมณ์ที่คิดจะหาเรื่องแย่ลงซะถูกละเขาคนนั้นทำงานหนักเหนือกว่าทุกคนและมีเวลาพักผ่อนน้อยที่สุดในบรรดาคณะพักทั้งหมดเพราะทุกชีวิตทุกสถานการณ์ล้วนตกอยู่ในความดูแลรับผิดชอบเพียงคนเดียวแต่งั้นก็ยังไม่วายบน่นอยู่อยู่ก็หนีไปนอนเฉยเฉยอย่างนั้นแหละ พวกเรายังนั่งคุยกันอยู่แทๆ้ๆก็คงรำคาญคนปากมากคอยบล็อบอยู่เรื่อยมั้งชยันก็อดไม่ได้เหมือนกันที่จะขัดคอตามนิสใสแต่คราวนี้คุณหมอดารินไม่ยักโกรธกลับหัวเราะชอบใจนี่ภายหลังจากงีไปประมาณสองชั่วโมงเสร็จรานใหญ่ก็ตื่นขึ้นมาเมื่อเวลามืดสนิทท่ามกลางกองไฟที่พวกพรานพื้นเมืองของเขาไปช่วยกันหาไม้มาเตรียมเป็นเชื้อเพลิงไว้ล่วงหน้า จากละเมะในละแวกนั้นการได้พักผ่อนหลับสนิทแม้จะในระยะเวลาอันสั้นช่วยให้สมองปลอดโปร่งและกําลังบังชาดีขึ้นแล้วเขาก็เผชิญกับคําถามของฝ่ายนายจ้างหลังจากทุกคนกินอาหารอิ่มหนาดีแล้วอนุชากนันอินเดินผ่านช่องเขา ข, ขาดนี่ไปก่อนเราใช่ไหมแม้ว่าจะเป็นคําถามที่ออกจะไร้สาระและเหตุผลเพียงใดก็ตามระพินไพรวันก็ให้อาภัย และรู้สึกเข็นใจบุคคลเหล่านั้นเสมอเพราะความหวังของทุกคนล้วนฝากไว้ที่เขาทั้งสิ้นไม่ว่าจะมีความรู้สึกอัดอัน้นกระวนกระวายใจยังไงก็ต้องอาศัยเขาเป็นที่หารือหรือปลอบใจอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ถามอย่างทารกชนิดนี้ก็คือชัยยันผมคิดว่าก็คงจะเป็นเช่นนั้นล่ะครับพ่านใหญ่ไม่ทราบว่าจอดจะตอบยังไงดีไปกว่านี้ ผมคิดว่าเมื่อสองคนนั่นมาถึงโอเอซิสที่ตั้งชื่อให้ว่าเกาะแห่งชีวิตก็แสดงว่าเขาบ่ายหน้ามายัางเส้นทางเดียวกับเราอยู่แล้วระยะจากโอเอซิสแห่งนั้นก็ไม่ห่างจากช่องเขาขาดนี้เท่าไหร่นักถ้าแผ่นผาในซอกเขาสองฝั่งนั้นพูดได้มันก็คงจะบอกเราได้ชัดเจนทีเดียวละครับว่าสองคนนั่นเดินผ่านไปวันเวลาไหนผมคิดว่าไม่ห่างจากวันที่เขาเขียนไว้ตรงขอนไม้ที่เราพบครั้งสุดท้ายเท่าไรนัก อาจจะเป็นวันรุ่งขึ้นถ้าไม่มีอันเป็นไปซะ ก, ก่อนนะครับ เ, ออเราลองช่วยกันคิดหน่อยสิพวกเรารเผชิญกับอะไรมาบ้างแล้วในเส้นทางนี้เขาสองคนนั่นจะไม่พบบ้างทีเดียวหรือและเพียงสองคนปืนคนละกระบอกเขาจะแก้ไขเหตุการณ์ได้ยังไงพวกเราสิจำนวนมากกว่าอาวุธพร้อมแล้วก็ดีกว่าเขายังแทบเอาชีวิตไม่รอด ผมยังไม่อยากจะคิดอะไรอย่างทั้งนั้นแหะครับนอกจากตั้งเข็มไว้อย่างเดียวว่าปรับใดก็ตามที่เรายังไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดว่าทั้งคุณชายอนุชาและหนานอินเสียชีวิตไปแล้วเราก็ควรจะรุดหน้าต่อไปตามแผนเดิมโดยตับปัญหาทั้งปวงออกไปให้หมดคุณชายอนุชากับคนนำทางอาจไม่พบในสิ่งที่เราพบก็ได้ใครจะรู้หรือถ้าพบเขาก็อาจจะมีวิธีหลบเลี่ยงมันไปก็ได้นะครับ ขอโทษทีระพินความวิตกวิจารณเป็นของพวกเราอยู่ตลอดเวลาหวังว่าคุณคงจะเข้าใจดีแล้วก็ให้อภัยนักครับผมเข้าใจดีครับตลอดระยะเวลาที่เราออกเดินทางมานี่นอกจากการต่อสู้อย่างหนักทุกด้านแล้วในสมองของเรายังกระทบกับปัญหาและปริศนานับไม่ถ้วนแต่มันก็มีสิ่งชักจูงล่อให้เราบากบั่นกันไปเรื่อยๆโดยไม่คานึงถึงอนาคต ถ้าไม่ได้ร่องรอยของบุคคลสาบสูญที่เรากําลังติดตามกันอยู่นี่ซะเลยตอนนี้พวกคุณก็คงจะคิดท้อแท้และเลิกล้มแผนการซะนับครั้งไม่ถ้วนแล้วแต่นี่เราพบมาตลอดพบว่าเขายังมีชีวิตอยู่ซะด้วยสิ่งนี้แหละครับที่มันจูงเราทุกคนให้ต้องเดินหน้าอย่างหันกลับไม่ได้อุปสรรคต่างๆที่เราฟันฝ่าผ่านพ้นไปได้โดยลําดับก็เหมือนกันเป็นเครื่องเพิ่มภูมกําลังใจแก่เราเหมือนจะเป็นการบอกอยู่ตลอดเวลาว่า พวกเราจะต้องสำเร็จผลที่ต้องการผมเองนอกจากจะเป็นพรานรับจ้างโดยอาชีพแล้วผมยังเป็นนักเล่นเกมของชีวิตด้วยตนเองอีกด้วยผมก็อยากจะรู้ให้แน่ชัดเหมือนกันว่าผลลัพธ์มันจะออกมาอย่างไรในการที่เราได้ต่อสู้ฟันฝ่ากันมาถึงเพียงนี้แล้วเสียงพูดอันหนักแน่นมั่นคงของคนเลือดคนทำให้ฝ่ายนายจ้างทุกคนงันไปด้วยความเต็มตื้นประทับใจ จากประสบการณ์ที่เราผ่านมาแล้วป่าใดก็ตามที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชและสัตว์ป่านั้นไม่มีพิษมีภัยใดๆเลยสำหรับมือนักล่องพรยอย่างพวกเราแต่ตรงกันข้ามภูมิประเทศตอนใดกันดานสงบเงียบปราศจากร่องรอยของสัตว์ใดทั้งสิน้นล้วนเป็นแดนที่เราจะต้องเผชิญหน้ากับอันตรายที่มักจะมาโดยไม่รู้ตัวเลยเป็นเช่นนั้นใช่ไหมระพินครับถูกต้องครับนี่ถือเป็นทฤษฎีได้เลย ขอใป่านั้น น, นเต็มไปได้วยสัตว์ร้ายอันตรายแต่ก็ขอให้มันเป็นสัตว์ที่มีชีวิตอย่างเราเถอะไม่เป็นสิ่งที่น่าหวาดหวั่นเลยเพราะชีวิตย่อมอยู่ได้กับกลุ่มของพวกมีชีวิตสําคัญจะไปเจอเอาสิ่งที่ไม่มีชีวิตเอาเลยเป็นต้นว่ากรวดทรายและหินนั่นแหละครับนั่นแหะคือมอรณะของชีวิตละครับป่าฝากโนนเท่าที่คุณเลาะสำรวจมาเห็นบอกว่ามันอุดมไปได้วยพืชและสัตว์ไม่ใช่เหรอ ครับเราก็เป็นป่าสงวนรือวะนาอุทยานที่เขาเลี้ยงไว้ทีเดียวละครับก็แล้วทำไมทะเลสาบนั้นถึงถูกเรียกชื่อว่าทะเลสาบมรณะละ่ะเจ้าของคำถามให้ตอบยากนี้คือดารินวราริปแน่ละมันทำให้พรานใหญ่อย่างระพินไพรวันต้องคิดอยู่นานทีเดียวที่นั่นอาจจะมีสัตว์ ร, ร้ายอันตรายมากท่องเที่ยวหากินหรือสิงสู่อยู่แถวนั้นในที่สุด เขาจําเป็นต้องค้นหาคำตอบเราย้อนกลับไปดูภาพของผู้ขนานนามชื่อทะเลสาบแห่งนี้คือมังมหานรธาคนเกิดและอยู่เมื่อ400ปีก่อนยุคนั้นนะอาวุธของมนุษย์แน่ละครับคงไม่มีอำนาจเหมือนปืนของเราในสมัยนี้หรอกคนเราเมื่อขาดอาวุธหรืออำนาจในการชิดจะต่อสู้ป้องกันตัวจากสัตว์ ร, ร้ายซะแล้วเช่นนั้นอันตรายก็ย่อมมีมากเป็นธรรมดาและนั่นกระมัง ที่มังมาหานรธาเต็มใจที่จะตั้งชื่อทะเลสาบนั้นไว้ให้หน่ากลัวถึงเพียงนั้นแต่สำหรับพวกเราที่ตามหลังมาเมื่อสี่รอยปีล่วงไปแล้วเมลูกปืนของเรามีแรงประทะโดยเฉลี่ยตั้งแต่5 0 0พันฟุตเป้าขึ้นไปแทนที่จะเป็นหอกดาบหน้าไม้หรือธนูเราอาจเห็นว่ามันไม่ได้เป็นทะเลสาบมรณะอะไรเลยสักนิดเดียวตรงข้ามมันอาจจะเป็นทะเลสาบที่มีอาหารมั่งคัง่งสมบูรณ์ของเราก็ได้ ไทรันโนซรัสเราก็ถ ล, ล่มมันลงแล้วด้วยทีเอ็นทีเพราะฉะนั้นอะไรอีกก็ได้แม้กระทั่งยักษ์ทศกัณฐ์ถ้ามีจริงก็ขอให้มันโผล่ขึ้นมาเถอะมีอะไรที่คุณหญิงกลิ่งเกรงวิตกอยู่อีกล่ะครับนักมนุษยวิทยาสาวนิ่งไปด้วยคำพูดกล้าวเฉียบนั้นคืนนี้ขอให้หลับกันอย่างสบายอีกคืนนึงเถอะไม่ได้พบมันมานานแล้วเชิดถาปเปรยขึ้นแล้วทุกคนก็เข้านอน เมื่อพรานใหญ่อธิบายให้ทราบเป็นเราๆว่าการเดินทางพรุ่งนี้จะเริ่มต้นอย่างไรจากจุดไหนไปสู่ไหนเพื่อให้รับรู้ล่วงหน้าพระจันทร์แรมสามค่ำโผล่ดวงขึ้นจากขอบฟ้าสาดแสงเยือกเย็นอาบไปทั่วปริมณฑลท้องฟ้าเป็นสีน้ำเงินใสปราศจากเมฆหมอกราวกับภาพเขียนและเหมือนจะเป็นสุพรรณิมิตรบอกให้ทราบว่า ราตรีนี้จะมีแต่ความสุขสงบห่างไกลจากผองภัยทั้งมวลโคดเขินเนินสไลดกระทบแสงเดือนส่องสะท้อนเป็นประกายสะพร่างพราวประดุดดาดฝังไว้ด้วยเกล็ดมณีหลากสีลมเหนือโชยฉ่ำมาเป็นระยะไม่ขาดสายนานๆจะแววเสียงหมาจิ้งจอกเห่าหอนลอยแววตามลมมาจากจะงอนเขาที่ใดที่หนึ่งและคนไปกระเสียงจตุระบาทที่ออกหากินอยู่ตามทุ่งหญ้า ฝั่งตรงข้ามอย่างคึกคักนานๆครั้งพยักษ์ร้คำรนโกลจะนาดกึกก้องกังวานมาแต่ไกลและสับพระแลสัประสัตว์น้อยใหญ่ที่มีอำนาจต่ำกว่าก็แต่กระจายเลิดหนีไปอย่างผวาหวาดหล่นลานและนั่นคือสัญลักษณ์แห่งชีวิตที่พรานใหญ่ระพินได้บอกไว้กับคณะนายจ้างของเขาซึ่งทุกคนไม่ได้พานพบมาเป็นเวลานาน ท่ามกลางมรณะภัยอันน่าสยองกลัวของดินแดนที่ไม่มีนักท่องไพรคนไหนประสบพบเห็นมาก่อนมันดูราวกับ ว, ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะกลับคืนมาเหมือนเดิมแล้วภายหลังการพินาศของไทรันโนซัสเจ้าสัตว์โลกล้านปีซึ่งคล้ายจะถูกบรรดาลขึ้นด้วยความอาถรรพ์ของดินแดนลึกลับต้องห้ามและคืนนี้แหละที่เป็นอีกคืนหนึ่งของเสียงเพลงรักชาวเขา ซึ่งกังวานแววแผ่วหวานคลา้าคละผสมผสานไปกับดุริยางพนาดารินวราฤทธ์เงี่ยสดภาษาของเพลงและดนตรีย่อมจะเป็นภาษาสากลซึ่งเข้าซึ้งถึงวิญญาณของมนุษยชาติเท่ากันหมดในวิเวกหวานแห่งลำนำนั้นเข้าใจความหมายโดยไม่ต้องมีคำแปลจะมีใครอื่นถ้าไม่ใช่เจ้าหนุ่มแงซายคนนั้นเจ้าคนลึกลับ เสมือนจะ ก, ก้าวออกมาจากจินตนาการแห่งความฝันยามมาชิญหน้ากับผงไพรก็สง่างามอาจองค์ราวกเทพบุตรแห่งสงครามยามสงบสารติสุข ก, ก็มีอารมณ์อันระ ร, รื่นหวานและกระแสเสียงเพลงไพเราะราวกับกาลเวกนักมนุษย์วิทยาสาวผงกสีสษะขึ้นหล่นไม่เห็นตัวไม่เห็นที่มาของเสียงหากแต่สำเนียกแน่ชัด ว่ามันลอยมาจากกลุ่มก้อนหินที่ใดที่หนึ่งไม่ห่างออกไปนักริมไฟกองใหญ่ที่ก่อไว้สุภาพบุรุษไพรผู้เป็นสุภาพบุรุษกลางแก่นใจของหล่อนเองด้วยนั่งอยู่คนเดียวเขากำลังถอดลูกเลื่อนออกจากไรเฟิลประจำตัวและใช้แท่ทะลวงชำระล้างลำกล้องซึ่งไม่เคยได้ดูแลทำความสะอาดมาตลอดระยะเวลาที่ใช้งานสมบุกสมบันนานนอกนั้น หูฟังเสียงเพลงรักจากแง่ทรายตากวาดมองไปรอบๆด้านและในที่สุดก็มาจับนิ่งอยู่ที่เขาเงียบๆคนเดียวแล้วก็ไม่อาจทนฝืนกับความรู้สึกของตนเองได้ยิ่งผิดภาพคนคนนั้นยิ่งหวนคิดไปถึงเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาทุกแง่ทุกมุมก็เกิดความประทับใจขึ้นอย่างดื่มด่าหญิงสาวค่อยๆลุกขึ้นจากที่นอน รดฝีท้าตรงเข้าไปทางด้านหลังอย่างแผ่วเบาจิตนาว่าถ้าเข้าถึงตัวจะขยุมหลังจูโจมให้ไม่รู้ตัวทีเดียวจะดูซิว่าจกขวัญอ่อนหรือขวัญแข็งสักแค่ไหนเพราพรานใหญ่แต่ยังไม่ทันจะย่องเข้ามาได้ระยะเลยเสียงทุ้มต่ําแต่กังวานนุ่มแจม่มใสก็ดังทักมาซะก่อนจากคนที่นั่งหันหลังทําอะไรง่วนอยู่ไม่ง่วงนะครับคุณหญิงดารินชะงัก ยืนนิ่งทำตาโตแล้วหัวเราะออกมาเบาๆเดินด้วยอาการปกติมายืนอยู่ข้างๆแม้คุณนี่รู้สึกตัวอยู่ทุกขณะทีเดียวนะมีตาข้างหลังหร้ยังไงโถผมไม่ใช่มแมลงวันนี่ครับคุณหญิงจะได้มีตาเห็นรอบตัวผมก็มีแต่หูเท่านั้นแหละแต่ฉันก็พยายามย่องเข้ามาให้เบาที่สุดแล้วนะกะจะให้กระโต้องห้องพ่อพรานเอกตอนเผลอดูสักทนะีแต่ฉันก็ทําไม่สาเร็จ ก็อาจจะสําเร็จเหมือนกันครับถ้าคุณหญิงเดินเบากว่านี้อีกสักหน่อยถ้าคุณหญิงสามารถย่องเข้ามาทางด้านหลังของผมได้โดยที่ผมเซ่อซ่าไม่ทันรู้ตัวทั้งๆ ท, ท, ที่ตื่นอยู่อย่างงี้ยแล้วก็ป่านนี้ผมคงพาคณะของคุณหญิงไปให้เสือกินหมดแล้วละ่ะไม่รอบกันมาได้จนถึงเดี๋ยวนี้แล้วครับกล่าวจบก็หัวเราะมองดูหล่อนเต็มตาคาวหน้าอันกล้านเกรียมนั้นบัตรนี้แลดูอ่อนโยนขึ้นไม่ไรจะใช้ผมแล้วครับ ดารินยิ้มรื่นเหลือตามองไปยังคณะพักซึ่งนอนรวมกลุ่มเงียบสงบอยู่อีกครั้งเหมือนจะสำรวจให้แน่ใจว่าตกอยู่ในสายตาของใครหรือไม่แล้ววางมือลงบนไหลแข็งแรงของร่างที่นั่งต่ำกว่าไม่มีอะไรจะใช้หรอกคิดถึงอยากจะคุยด้วยก็เลยย่องมาหาบอกกันตรงๆอย่างนี้ดีไหมรพินกุมมือข้างที่วางบนไหลของเขาไว้ยิ้มตอบ ดีครับดีกว่าจะแก้เก้อออกลูกไม้ทำเป็นมาชวนทะเละหรือมาทำรวนโน่นรวนนี่อย่างเมื่อสมัยก่อนนี้ทั้งๆ ท, ที่โดยใจจริงก็อยากจะออกมาหาเรื่องผู้กนายรพินนั่นแหละอ๋อนี่แปลว่ารู้ทันมาตลอดงั้นเหรอหล่อนร้องลืมตาโตอีกครั้งอีกฝ่ายหนึ่งหัวร้อเสียงนุ่มจับมือข้างนั้นอย่างทนุถนอมแล้วฉุดให้นั่งลงบนขอนไม้ตรงหน้าตาเป็นประกายสุข อยู่ที่ใบหน้างามแนมแนคุณหญิงครับผู้ชายนะไม่ว่าจะง้่งสักขนาดไหนก็ตามแต่ในเรื่องความรักอันเป็นสิ่งละเอียดอ่อนที่สุดแล้วเขายอมฉลาดเสมอสมัยก่อนนี้คุณหญิงยิ่งตะโกนใส่หน้าว่าชิงชังผมเท่าไหร่ผมก็มีความสุขใจทุกครั้งที่ได้ยินเช่นนั้นเพราะมันแปลว่าคุณหญิงไม่ได้เกลียดชังผมเลยมาเดี๋ยวนี้ซะอีกคุณหญิงบอกว่ารักผม ผมกลับรับฟังด้วยความหวั่นไหวหวาดวิตกอยู่ตลอดเวลากลัวมันจะกลายเป็นตรงข้ามไปซะเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบขิ้งามข้างหนึ่งเลิกขึ้นพร้อมกับเอียงหน้าน้อยๆริมฝีปากพริมพรายไปด้วยรอยยิ้มเช่นกันนี่ก็แปลว่าผู้หญิงจะต้องพูดหรือแสดงอะไรให้เป็นตรงข้ามกับความรู้สึกแท้จริงอยู่เสมอเช่นนั้นสิใช่ไหมในความรู้สึกของกุน่ะก็อาจไม่เสมอไปนักหรอกครับ แต่สำหรับหม่อมราชวงศ์หญิงดารินบาราริศคนนีนะ้เป็นเช่นนั้นครับนี่คุณอ่านชั้นทะลุปลุปลงมาตลอดเหรอก็คงจะเหมือนกับที่คุณหญิงอ่านผมก็ไปจนถึงกล่นบึ่งของหัวใจนั่นกระมังครับที่ยังไม่เคยคิดนะว่าฉันจะอ่านอะไรคนหน้าตายหัวใจชาเป็นแท่งหินอย่างคุณได้ก็อ่านได้ยังไงครับว่าคนหน้าตายหัวใจชาเป็นแท่งหินคนเนี้ไม่ว่าจะทําเป็นเตะท่าไม่สนใจใ ย, ยดี ก็น้องสาวคนสวยของนายจ้างสักเพียงไรก็ตามแต่หัวใจภายในนะ่ะร่ำร้องใฝ่ฝันอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกถึงจะหันหลังไม่ยอมมองแต่หัวใจก็ยังจดจ่ออยู่ตลอดเวลาดารินเอาก้อนกรวดเล็กๆปาไปที่อกเขาและพูดปนหัวเราะว่าเก่งนะเข้าใจพูดนี่เห็นทึ่มๆมาเป็นภาษาอย่างนี้ฮะลึกไม่หยอกขับใจมากนะ ที่คืนนี้ไม่ทำเป็นเก็กหน้าปั้นท่าเคร่งครึมแล้วก็แกล้งทำเป็นไล่ฉันให้ไป น, นอนซะทำนองว่าถ้าไม่อยากจะสนใจยายดีด้วยโธคุณหญิงครับผมนะนั่งภาวานาระหว่างล้างปืนอยู่นี่ว่าขอให้คุณหญิงลุกจากที่นอนถ้าหัวใจของเราตรงกันจริงอะ่ะนี่อย่ามาทำปากดีไปหน่อยเลยที่มาตอนบ่ายนี้นะแอบหนีมานอนซะดื้อๆนั่นแหละคุณหญิงก็ทราบดีอยู่แล้วนี่ครับ ก็พูดพร้อมกับถอนใจเบาๆข้าวหน้าบ่งไปด้วยร่องรอยแห่งความสุขใจถึงแม้เราจะอยู่ใกล้ชิดกินด้วยกันนอนด้วยกันต่อสู้ผจญภัยเคียงบ่าเคียงไหลกันแต่เราก็เหมือนอยู่ห่างกันเหมือนขอบฟ้ากันเพราะเราอยู่รวมกันในลักษณะหมู่คณะผมไม่มีโอกาสจะได้เป็นตัวของตัวเองเพื่อคุณหญิงเลยก็เท่าๆกับที่คุณหญิงก็ไม่สามารถจะเป็นตัวของตัวเองเพื่อผมได้ มันติดขัดที่บุคคลซึ่งร่วมคณะหมู่มากกับเราด้วยอีกอย่างหนึง่งผมก็ไม่อยากจะให้บุคคลที่ผมเคารพนับถือและมีฐานะเป็นนายโดยตรงจับพิรุษได้ว่าหัวใจของเรานี่มีสัมพันธ์อะไรกันอยู่มันไม่สมควรอย่างยิ่งคุณชายรู้เข้าจะเกลียดชังผมหาว่าบาังอาจเพเยอไม่เจียมตนคุณชายยันก็เช่นเดียวกันถึงลูกน้องของผมเองก็เช่นกันผลเสียก็จะตกเป็นของคุณหญิง ผมคำนึงถึงในข้อนี้มากที่สุดจึงไม่อยากใหคนเหล่านั้นทราบอะไรทั้งสิน้นทั้งๆ ท, ที่ผมก็อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับคุณหญิงตลอดเวลาจึงต้องปฏิบัติตัวให้เป็นปกติเหมือนเดิมไว้ผมหนีไปนอนเมื่อตอนบ่ายก็ไม่ได้นอนเฉยๆนะครับแต่นอนฝันถึงเจ้าหญิงของผมอยู่เงียบๆโดยไม่ให้ใครรู้อารมณ์หญิงอดไม่ได้ที่จะเอื้อมือมาผลักใสเบาๆตวัดหางตาคอนแต่ก็ไม่วายยิม้ม เป็นภาพที่งามประทับใจที่สุดสำหรับอีกฝ่ายหนึ่งที่จ้องประสานตามองดูอย่างดื่มดำ่ำมันไสได้ทีแล้วก็จีบใหญ่นะบทจะพูดเทคเลิมกันแล้วก็ไม่มีใครเทียบเหมือนกันแต่แรกนะฉันนึกว่าคุณจะพูดแบบนี้ไม่เป็นสกทำไมจะถามหน่อยหมือนราชวงศ์หญิงผู้มีฐานะเป็นนายจ้างจะรักพานนาทางที่เป็นลูกจ้างไม่ได้เหรอใครเดดร้อนไม่ทราบ ถ้าหาทั้งสองฝ่ายไม่มีพันธะอื่นใดมาฝัางกัน้นคุณหญิงครับถ้าคิดอย่างเห็นแกตัวเฉพาะเราสองคนโดยไม่คำนึงถึงอื่นใดนะ่ะมันก็ไม่ไม่แปลกหรอกครับแต่ถ้าคิดในแง่ที่กว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่นอกเหนือจากเราสองคนออกไปอ่ะมันไม่เหมาะเอามากมากเห็นจะไม่ต้องอธิบายนะครับว่าไม่เหมาะอะไรเราก็โตด้วยกันแล้วทั้งความรู้สึกนึกคิดวัยและการศึกษา เรายังอยู่ในโลกของสังคมจริงอยู่ผมเองอาจตัดสังคมออกมาแล้วแต่ถึงยังไงคุณหญิงก็ยังเกี่ยวพันอยู่ผมไม่อยากดึงคุณหญิงลงต่ำดารินวราฤทธิ์อึง้งไปครู่ใหญ่ใบหน้าสลดลงเล็กน้อยแต่แล้วก็สั่นสีสะแช่มช้าอย่างตัดสินใจเฉียบขาดก่อนจะพูดฉันเข้าใจความหมายของคุณดีนะระพินแต่ฉันโตเลยนะเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวมีเสรีอย่างเต็มที่ ในการที่จะเลือกดำเนินชีวิตของตนเองได้อย่างอิสระโดยไม่ขึ้นกับใครทั้งสิน้นถึงแม้ฉันจะมีพี่ใหญ่เป็นผู้ใหญ่เหลืออยู่คนหนึ่งฉันก็เข้าใจเขาก็เข้าใจฉันดีไว้วางใจฉันทุกสิ่งทุกอย่างในด้านการดำรงชีวิตหรือตัดสินปัญหาส่วนตัวอย่างมากที่สุดเมื่อฉันเกิดปัญหาเขาก็เพียงจะแค่แนะนําเท่านั้นล่ละถ้าฉันขอความเห็นจากเขาถึงพี่ใหญ่เองฉันก็รู้นะว่าเขารักคุณมาก รักเหมือนญาติสนิทหรือพี่น้องทีเดียวทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เป็นปัญหาอะไรหรอกถ้าจะเกิดปัญหาก็อย่างเดียวเท่านั้นแหละหัวใจของเราไงเราซื่อตรงต่อกันจริงหรือเปล่าเท่านั้นแล้วเราจริงใจต่อกันหรือเปล่าล่ะครับคุณหญิงเรื่องนี้นะฉันน่าจะถามคุณมากกว่านะแล้วผมจะตอบคุณหญิงว่ายัางไงดีล่ะครับสมุสาบานสนเอาคหวานมาพูดเพื่อให้เชื่อผมก็ไม่ถนัดซะด้วยสิครับ ก็ไม่จำเป็นหรอกถ้าฉันสรุปว่าเอาเป็นว่างั้นฉันสรุปว่าฉันเชื่อคุณแล้วกันถ้าไม่เกรงว่าจะมีสายตาคู่ใดคอยจับสังเกตอยู่โดยไม่รู้ตัวในขณะนี้รพินไทรวันก็อยากจะรวบร่างนั้นเข้ามาประทับไว้แนบสวงและจูบให้ทั่วทั้งตัวแม้แต่ปลายเท้าของหม่อมราชวงศ์สาวผู้งามน้าใจใบหน้าของเขาเคร่งขรึมลงเพื่อใช้ความคิดหนักคุณหญิงครับ ผมบอกคุณหญิงแล้วนะครับว่าผมไม่อยากจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ฉุดคุณหญิงลงต่ำทำไมคุณอยู่บาดาล น, นี้ยังไงนะถึงจะพลอยฉุดฉันให้ลงต่ำอย่างที่ว่านะดารินร้องออกมาอย่างฉิวฉิวทำหน้าเงาผมหมายถึงในด้านฐานนะสภาพในสังคมระหว่างผมกับคุณหญิงฉันรวยแล้วคุณจนงั้นเหรอใช่ครับ ถึงแม้ว่าคุณจะถือตัวยิงในศักดิ์ศรีของตนเองยังไงก็ตามนะคุณก็ไม่น่าจะถืออานะของฉันมาเป็นเครื่องกีดขันระหว่างเราทั้งสองเลยนี่นี่เมื่อฉันก็รู้อยู่กับตัวเองดีว่าคุณไม่รักไม่ได้รักฉันตรงที่ฉันร่ำรวยหรือว่ามีสกุลรุนชาติอันสูงส่งอะไรทั้งสิน้นครับคุณหญิงรู้แต่คนอื่นสังคมดีครับเขาไม่รู้ คุณแคร์สังคมหรือคนอื่นๆมากกว่าผู้หญิงที่คนรักยังงั้นเหรอคำถามชนิดนั้นทำเอาเขาเงียบงันตะลึงไปดาริงกล่าวต่อมาว่าตรงข้ามนะควรจะเป็นการดีสำหรับเราซะอีกในการที่ฝ่ายหนึ่งคือฉันมีฐานะในทางสังคมดีเราจะได้ฉุดประคองกันขึ้นไปอย่างอื่นๆนะมันเป็นเพียงส่วนประกอบภายนอกเท่านั้นนะแกนแท้ก็คือความเข้าใจเห็นใจระหว่างเราทั้งสอง คุณก็ไม่ได้ต่ำต้อยถึงเกินไปนักนี่แล้วก็ไม่ได้อยู่ในโลกนี้ด้วยการพึ่งพาอาศัยใครทั้งสิน้นคุณยืนอยู่ด้วยลำแข้งของคุณเองอย่ามีเกียรติซะด้วยเกียรติของลูกผู้ชายชาตรีแม้ว่าคุณจะไม่ร่ำรวยเหมือนฉันก็จะแปลกอะไรถ้าฉันเจ้าเงินเป็นเครื่องวัดเกียรติยศและความพอใจแล้วก็ป่านนี้ฉันแต่งงานไปกับเจ้ามาหาเศรษฐีโ ง, ง, ง, ง, ง่ๆหรือจะเจะ้าพวกควายมียศถาบรดาศักดิ์ไปนานแล้ว ไม่อยู่มาจนพบกับพรานไพรใจดำคนนี้หรอกภายหลังจากนิ่งไปนานพรานไพรใจดำของหมอดารินคนสวยก็ถอนใจอีกครั้งยักไหลเอาเถอครับคุณหญิงเราอย่าเพิ่งพูดอะไรให้มันแตกหักกันไปเสียเดี๋ยวนี้เลยเวลาเรายังพอมีเหลืออีกพอสมควรก่อนที่จะชี้ขาดอะไรลงไปซึ่งระยะเวลาระหว่างนี้เปิดโอกาสให้กับเราทั้งสองฝ่าย จะได้ใช้ใกล้ครวนให้รอบคอบอีกด้วยผมรักคุณหญิงมากแต่ผมก็ไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวแล้วปกตินิสัยก็เป็นคนผิดหวังมาตลอดเวลาจนมักจะมองโลกในแง่ร้ายอยู่เสมอเมื่อวันเวลานั้นมาถึงคุณหญิงอาจคิดได้ว่าฉันนี่ช่างตามืดมัวซะนี่กระไรที่ไปให้สัญญารักกานป่าต่ำจากคนหนึ่งมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยขณะนี้ให้ผมมีความสุขทางใจไปเงียบๆตามลาพังก็แล้วกัน อย่างน้อยที่สุดก็จะได้เป็นกำลังใจให้ผมบุกบัน่นฟันฝ่ารับใช้คณะของคุณหญิงต่อไปโดยไม่ย่อท้อจนกว่าตัวจะตายหรือจนกว่าจะสำเร็จผลดารินพินิษมองดูฝ่ายตรงข้ามด้วยแววตาอันมีประกายลึกผู้กองบันเวลานั้นของคุณหมายถึงวันเวลาไหนตอบหน่อยสิอย่างน้อยก็ วันเวลาที่คุณหญิงกลับไปถึงกรุงเทพแล้วไม่ช่เดินดงอยู่ในเช่นขณะนี้ครับทำไมคุณคิดว่าการกลับคืนไปสู่ฐานะเดิมของฉันอันหมายถึงปลอดภัยเสร็ จ, จริงจากการเดินทางมหาวิบากนี่แล้วน่ะฉันอาจเปลี่ยนใจยังงั้นเหรอก็ยังไม่แน่นักนะครับเราพูดเผื่อไว้ยังไงนะครับอก็ดีเหมือนกันนะหญิงสาวกล่าวช้าๆพยักหน้าเ네นบเนบ ชายมองเมินด้วยหางตาใครจะรู้ได้ไม่ต้องถึงกรุงเทพของฝ่ายฉันหรอกเพียงแค่เรากลับไปถึงหนองน้ำแห้งบ้านคุณน่ะถ้าบังเอิญมีคุณแสงสมมารอรับรพินไรวันอยู่ที่นั่นแล้วพรานรพินก็จะได้มีโอกาสเปลี่ยนใจได้เหมือนกันกล่าวจบหล่อนก็ผุดลุกขึ้นยืนแต่แล้วก็ชะ ง, งักก้าวเดินพละไปไม่ได้เพราะอุ้งมือที่อบอุ่นแข็งแรงคว้าข้อมือไว้ซยึดมัน่น อย่างงอนสิครับเสียบุคลิกของหมอดารินหมดเสียงนั้นนุ่มมีกระแสอดอ้อนเอาใจและยาวๆระคนกันพร้อมกับผู้ฉุดข้อมือก็ลุกขึ้นยืนเคียงข้างกุมมือเกาะกุมข้อมือน้องสาวคนสวยของนายจ้างไว้แน่นกระชับอีกฝ่ายปั้นหน้าเคร่งเหลียวมาชายตามองข้ามไหลของตนเองแต่แล้วก็ฝืนทำหน้าเคร่งอยู่ต่อไปไม่ได้ไม่เห็นรอยยิ้ม บนใบหน้านั้นพลอยให้ต้องหัวเราะออกมาอย่างรกระดักกระดักเงาเงาบ้าหลอนอุบอิบแต่ก็ยังยอมให้กลุ้มมืออยู่ตามเดิมระพิงจูงหม่อมราชวงศ์สาวเดินพ้นกองไฟระพินจูงมือหม่อมราชวงศ์สาวเดินพ้นกองไฟรับเหลี่ยมโขดหินลูกหนึ่งออกมาให้พ้นจากสายตาทั้งปวงของผู้ที่ร่วมแคมป์อยู่ในขณะนี้ ถ้าหากบังเอิญจะมีสายตาใดคอยจับสังเกตอยู่แล้วแล้วทั้งสองก็ยืนจ้องตากันอยู่ตามลำพังสองต่อสองทมกลางแสงเดือนอันสกาวในที่แวดล้อมของธรรมชาติสวยสุดงดงามรอบด้านประหนึ่งแมนสวงความเยือกเย็นของอากาศไม่อาจแพ่วพานเข้ามารบกวนราวีได้ในเมื่อสองหัวใจระอุอุ่นอยู่ด้วยไอรักรพินเปลี่ยนมือทั้งสองมาจับไหล่หลอนไว ดึงเข้ามาแนบกายอย่างแผ่วเบาร่างนั้นมีอาการเหมือนจะฝืนอยู่นิดนึงแต่แล้วก็วางศรีรษะลงพิงกระไลคุณคงไม่เชื่อหรอกนะคะรพินว่าฉันน่ะรักคุณเพียงไหนความผิดหวังชอกช้ำที่คุณได้รับจากผู้หญิงคนหนึ่งทำให้คุณประมาณค่าตีราคาน้ำใจของผู้หญิงต่ำไปหมดทุกคนแต่เอาเถอะเราไม่จาเป็นจะต้องให้คามั่นสัญญาอะไรต่อกันหรอกเพราะอนาคต เป็นสิ่งไม่แน่ฉันอาจเปลี่ยนหรือหักใจไปจากคุณได้เหมือนกันและเมื่อถึงเวลานั้นมาถึงคุณจะได้ไม่เจ็บปวดนักเพราะเราไม่มีคำมั่นใดๆต่อกันไว้ระปินสวมกอดดารินไว้แน่นกระชับที่สุดเหมือนจะให้ร่างกายทุกส่วนกลืนมาเป็นเนื้อเดียวกันและช่วงอึดใจต่อมาก็คลายออกตามเดิมดูราวกับว่าสิ่งที่ต้องการก็เพียงการขอกอดแน่นๆให้ชื่นใจสักครั้งเท่านั้น ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นคุณหญิงครับอย่าพูดอะไรเป็นเชิงตัดพ้อด้วยความน้อยใจอย่างนั้นสิครับแล้วก็อย่าให้เจ้าคนต่ําสักเคยเจียมกะลาหัวอยู่ตลอดเวลาอย่างผมนะ่ะต้องเผือลืมตัวทะเยอทะยานนักเลยครับผมยังนึกไม่ออกเลยว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าถ้าผมคลานก็ไปกราบเท้าพี่ชายของดอกฟ้าที่ผมรักและสารภาพความจริงใจทั้งหมด ผมจะได้รับการต้อนรับด้วยอะไรบาทาลูกปืนหรือว่าการถมน้ำลายรถหัวดารินเงยขึ้นมองดูเขาด้วยสายตาฉงนราบคนตำหนินี่คุณพูดแบบนี้ก็ดูหมิ่นน้ำใจของพี่ใหญ่เกินไปแล้วทั้งๆ ท, ที่คุณก็รู้จักเขาดีที่สุดนี่ว่าเขาเป็นสุภาพบุรุษที่น้ำใจกว้างขวางเพียงไรเป็นผู้ดีแค่ไหนความเป็นผู้ดีของเขานะ่ยมันไม่ได้เกิดมาจากชาติสกุลหรอกนะคุณ แต่มันเกิดมาจากสายเลือดความคิดและดวงวิญญาณของเขาโดยแท้ทีเดียวคุณคิดเหรอว่าถ้าเขารู้ว่าน้องสาวของเขารักคุณเขาจะชิงชังหยีดหยามวางตัวเป็นปฏิปักษ์กับคุณด้วยกิริยาที่ต่ำช้าเพียงนั้นน่ะและพินไพรวันหน้าเพืดลงรีบจับมือของหล่อนมาประคองแนบแก้มไว้กล่าวโดยเร็วว่าผมเสียใจครับคุณหญิงผมอาจพูดผิดไปโดยไม่มีเจตนาใดๆทั้งสิ้น เป็นความจริงที่ผมเคารพคาระวะคุณชายเชิฐาอย่างที่สุดและเห็นว่าคุณชายเป็นสุภาพบุรุษผู้งามน้ำใจพร้อมทุกประการผมอาจจะคิดเลยถืดไปไกลตามประสาคนที่มองเห็นโลกในแง่ร้ายเกินไปผมก็เชื่อเหมือนกันว่าคุณชายจะไม่ปฏิบัติเช่นนั้นแต่ก็ไม่เชื่อว่าท่านจะพอใจท่านอาจจะโอบไลผมด้วยความเมตตาและพูดอย่างอ่อนโยนกรุณากับผมก็ได้ว่านี่ระพิน จะมารักน้องสาวของฉันน่ะฉันก็ไม่ว่าอะไรหรอกนะแต่ควรจะตักน้ำใส่กระโหลกแล้วก็ชะโงกดูเงาตนเองซะก่อนเป็นไรหรือมิฉะนั้นก็อาจจะพูดอย่างลูกผู้ชายว่าหม่อมราชวงศ์หญิงดารินวราฤทธินะ์เน่ะมียนาคตดีกว่าที่จะมาร่วมหัวจมท้ายอยู่กับพรานต่ายอย่างนายนะจงเลือกล้มความคิดซะเถอะแค่นี้เองครับหัวใจของนายรพินไ์ไรวันก็จงคงถูกบดเป็นฝุ่น ราชสกุลสาวสันศีสะแช่มช้าถอนใจเบาๆนี่ระพินฉันกล้ารับรองนะว่าคุณจะไม่พบกิริยาหรือวาจาทำนองนั้นจากพี่ใหญ่เลยถ้าฉันอายุเพียงสิบเจ็ดสิบแปดเป็นแม่น้องสาววัยรุ่นผู้เยาต่อโลกของเขาก็ไม่แน่หรอกก็าอาจจะพูด ก, กับคุณอย่างนั้นแต่นี่ฉันอายุเกือบสามสิบแล้วนะกำลังจะทำปริญญาเอกด้วยฉันแก่เกินกว่าที่เขาจะใช้คาพูดแบบนี้กับใครได้จะละ แล้พี่ใหญ่ก็ไม่ใช่คนปัญญาอ่อนถึงกับต้องแสดงตัวกีดกันฉันทาในเรื่องชีวิตรักส่วนตัวของน้องสาวถึงเพียงนั้นแล้วคุณอย่านึกนะว่าที่ฉันย่องมาพบคุณนี่นะ่ะพี่ใหญ่จะหลับไม่รู้ไม่เห็นแม้กระทั่งคุณฉุดฉันออกมาในที่ลับตานี่เขาก็อาจจะเฝ้าสังเกตอยู่ตลอดเวลาก็ได้พี่ใหญ่ไม่ใช่คนโง่เลยจะ น, นิดเดียวก็รู้ทันเราอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ไม่พูดเท่านั้นแหละอีกฝ่ายหนึ่งมีอาการตกใจงุนงงเล็กน้อย เหลียวกลับไปทางแคมป์คุณหญิงคิดว่าคุณชายรู้เหรอครับดารินหัวเราะโธ่คุณดีแต่ฉลาดจับไว้จับพริบแง่าสายอยู่คนเดียวเท่านั้นไม่รู้หรอกว่าพี่ใหญ่นะตัวร้ายเหมือนกันเขาไม่ยอมให้ใครมาหลอกเขาได้สำเร็จรอกสรุปว่าเขาเหนือกว่าคุณหรือแงซสายซะอีกแต่เก็บเงียบไม่พูดอะไรเพียงแต่ตาดูหูฟังเท่านั้นถ้าคุณเป็นขงเบ้ง แง่าสายเป็นบางทองพี่ใหญ่ก็เล่าปีเราดีๆนี่แหละรู้ไว้ซะด้วยไม่งั้นเขาไม่ใช้ทั้งคุณและแง่าสายมาได้จนถึงเดี๋ยวนี้หรอกระพินเป่าลมออกจากปากคำพูดของดารินเขาไม่เห็นว่าเป็นการพูดเล่นอย่างไรสาระมันน่าจะเป็นจริงอย่างที่หล่อนพูดนั่นแหละแหมคุณหญิงพูดทำมาผมสะดุ้งใช่แล้วละ่ะเขาพูดขึ้นอย่างเริ่มอึดอัดใจหัวเราะกร่ อ, รอย คุณหญิงทราบได้ยังไงล่ะครับว่าคุณชายทราบเรื่องราวอะไรระหว่างเราเนี่น่ะฉันรู้ก็แล้วกันสายตาของพี่ใหญ่เนะ่ะคําพูดในในของเขาทําไมฉันจะไม่รู้ฉันก็ไม่ได้โง่เกินไปนักนี่ตายละ่ะบันไล่กันคราวนี้เองเนาะก็อยู่กันมาได้นี่ไม่เห็นบันไลอะไรสักอย่างทําไมบอกความจริงให้รู้ตกใจนักเหรอครับตกใจครับ แล้วนี่ผมจะเข้าหน้านายจ้างผมได้ยังไงเนี่ยอา้าก็เคยเข้ายัางไงก็เข้าอย่างนั้นแหละเหมือนแปลกอะไรนี่เห็นไหมว่าตลอดเวลาน่ะรู้เห็นอยู่เต็มอกว่าน้องสาวของเขาหนาะผูกพันอยู่กับคุณยังไงพี่ใหญ่เขก็สงวนท่าทีทําเฉยซะจนแม้แต่คุณก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ํากระทั่งฉันบอกให้เนี่ยตายจริงแล้วนี่ผมจะเข้าหน้าคุณชายได้ยังไงนี่ก็เคยเข้ายัางไงก็เข้าอย่างนั้นแหละ ไม่เห็นแปลกอะไรเลยเห็นไหมล่ะว่าตลอดเวลาน่ะพี่ใหญ่นะเขรู้เห็นอยู่เต็มอกว่าน้องสาวของเขาน่มผูกพันอยู่กับคุณยังไงเขาก็สงวนท่าทีทําเฉยซะจนแม้แต่คุณก็ยังไม่รู้ตัวด้วยซ้ํากระทั่งฉันบอกให้เนี่ยคุณชายคงเกรียดที่หน้าผมพี่ลึกละ่ะถ้าเขาเกลียดยังคุณเนี่ยจะจับความรู้สึกในด้านนั้นของเขาไม่ได้ตรงข้ามฉันก็เห็นว่าเขารักและไว้วางใจคุณดีที่สุด นับวันก็จะยิ่งเพิ่มทวีขึ้นทุกขณะแล้วคุณเห็นนหรอว่าตลอดเวลามาน่ะเขาเมียมีอาการอะไรที่อกติต่อคุณผมคนไม่พบครับคุณชายเก็บความรู้สึกภายในได้มิดชิดที่สุดถ้าเป็นอย่างที่คุณหญิงบอกจริงอ่ะถ้าเขาจะเก็บก็เก็บในเรื่องที่ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นหรือไม่เท่าทันจะในเรื่องนี้คุณต้องเห็นใจเขาบ้างนะเขาเป็นพี่ชายของผู้หญิงแล้วก็รู้อยู่เต็มอกว่าน้องสาวเขา เกิดไปรักพรานนำทางแล้วใจ้เขาทํำยังไงจะแสดงว่ารับรู้ก็ไม่ได้จะแสดงอาการกีดกันก็ไม่ได้ไอ้จะสนับสนุนก็ไม่ได้อีกมันก็ไม่มีอะไรดีไปกว่าทำเป็นเฉยซะแล้วก็แล้วก็คอยจับสังเกตไปส่วนคุณที่ระแวงว่าเขาจะเกลียดชังคุณและซ่อนความรู้สึกไว้ไม่ให้คุณเห็นน่ะฉันเชื่อแน่ว่าคงไม่เป็นเช่นนั้นหรอกคนเราถ้าหลงเกลียดกันมันก็จะต้องส่ออะไรออกมาบ้างละ่ะแล้วหล่อนก็หัวเราะขันขัน ยกมือขึ้นประคองรูปใบหน้าสากไปด้วยเคราวนั้นอย่างสนิทเสน่หาก็คุณฉลาดนักนี่ตั้งแต่แรกมาแล้วไม่ได้แสดงทีท่าสนใจใยดีหรือว่าเจ้าชูตาเป็นมันอะไรกับน้องสาวของเขาเลยจนกระทั่งเขาวางใจสนิทว่าคงไม่เกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นจำไม่ได้เลยแม้กระทั่งขึ้นนั่งห้างยิงสัตว์ด้วยกันครั้งแรกเขาก็บังคับฉันให้นั่งคู่กับคุณตอนนั้นเราเกลียดขี้หน้ากันอย่างที่สุด มาตอนนี้ก็คงรู้สึกแล้วละมะั้งว่าเขาหลวมตัวพลาดท่าไปซะและ้วพอพรานใหญ่หลอกเกี่ยวน้องสาวเขาซะอย่างเหนือเมฆที่สุดโดยก็คิดไปไม่ถึงต่อหน้าเขาก็ทําเป็นเตะท่าไม่สนใจใยดีพอรับหลังพี่ชายเขาก็เข้าถึงตัวเลยแม่น้องสาว ก, ก็เหลือร้ายตลอดเวลาเล่นละครฉากทะเลาะกันในหะ้เขาดูซะจนเขาเองก็คงรําคาญพี่ลึกเราพยายามจะหลอกเขาแต่หลอกไม่สําเร็จหรอกกระพิน พี่ใหญ่นะรู้ทันทุกปฏิกิริยาเคลื่อนไหวของเราทีเดียวชัยันสินั่นทารกที่สุดเจ้าซาพาซื้อไม่รู้อะไรหรอกระพินไัรวันยกมือขึ้นตบหน้าผากตนเองเบาๆแล้วสุดกายลงไปนั่งบนโขดหินอย่างหมดแรงคลางออกมาตายเลยเสร็จกันคราวนี้ผมไม่รู้ตัวเลยนะว่าพี่ชายของคุณหญิงรู้ทันเรื่องราวของเรานี่ชักไม่สบายใจซะแล้วสิ ดารินวางมือลงบนไหล่รับสีหน้าละไมไปด้วยรอยยิ้มไม่มีอาการทุกร้อนใดๆทั้งสิน้นกับอีกฝ่ายหนึ่งที่ร้อนใจเราไฟเผาโถ่คุณจะต้องเดือดร้อนอะไรเขาก็ไม่เห็นว่าอะไรคุณสักหน่อยนี่และที่คุณหญิงคิดเถอะครับว่าคุณชายมองเห็นการเคลื่อนไหวของเราขนาดนี้เชื่อว่าเขาต้องเห็นนะอาจแกล้งทาเป็นหลับแล้วคอยสังเกตมองอยู่ก็ได้ น้าคุณหญิงรู้ตัวดีอยู่แล้วอ่ะกล้าออกมาหาผมได้ยังไงกันเนี่ยราชสะกุลสาวยักษ์ไหลเอา้าก็ทำไมจะต้องไม่กล้าด้วยล่ะนึกว่าฉันก็ไม่ได้ทาผิดคิดร้ายอะไรกับใครแปล ว, ว่าคุณหญิงไม่แคร์เลยเหรอครับมันไม่เกี่ยวกับแคร์หรือไม่แคร์หรอกแต่ฉันเห็นว่าฉันไม่ได้ทำผิดอะไรอย่างที่บอกแล้วไงพี่ใหญ่จะเห็นก็เห็นไปสิเขาก็รู้แล้วนี่ว่าฉันรักคุณดีเหมือนกันให้เขาเห็นชัดๆซะเลย ดีกว่าจะหลบหลบส้นส้นปิดบังอยู่แต่ตอนที่มานะ่ยฉันลุกขึ้นมารู้สึกว่าเขาจะแกล้งทำเป็นหลับนะฉันก็เลยทำเป็นไม่รู้ทันใช่ถามจริงนะครับคุณชายเคยถามอะไรคุณหญิงบ้างไหมเกี่ยวกับเรื่องของเราระพินพูดเป็นงานเป็นการขึ้นอาการเริ่มไม่เป็นสุขดารินอมยิม้มเขาก็ไม่ได้ถามอะไรตรงๆหรอกนะแต่ใช้กระทบเป็นในนายอยู่เสมอ เขก็อยากจะแสดงให้ฉันรู้สึกเหมือนกันว่าอย่าหอกเขาเลยไม่สําเร็จหรอกแต่พี่ใหญ่เขาเป็นคนดีมากนะรพินเขาไม่แคลไลอะไรฉันเกินไปนักเพียงแต่พูดเป็นในบ้างเท่านั้นแหละพูดในใจยังไงครับโปรดบอกผมตามตรงเลยครับคุณหญิงเขาเคยเตือนเป็นทํานองว่าไม่ฉันยุ่งอะไรกับคุณมากนักนะทีก็เป็นธรรมดาของพี่ชายทุกคนนะ่ะนะที่จะต้องเตือนน้องสาวแบบนั้นนะ คุณก็ไม่ต้องคิดมากหรอกถ้าฉันจะรักคุณเะอย่างน่ะเขาก็ขัดขวางฉันไม่ได้แล้วเขาก็ไม่ได้แสดงกีดกันอะไรออกมานอกหน้านอกตานิเราเคยหลงป่าพลัดพรากจากคณะส่วนใหญ่ไปถึงสามครั้งเมื่อกลับเข้ามารวมกลุ่มพบหน้ากันคุณหญิงสังเกตท่าทีไหมครับว่าคุณชายสงสัยอะไรบ้างไหมเขาได้ซักถามอะไรคุณหญิงบ้างหรือเปล่า จากสายตานะ่ยฉันรู้นะว่าเขาห่วงกังวลอยู่กับฉันไม่น้อยทีเดียวแต่เขาก็ไม่เคยซักไซไล่เลียงอะไรมากนักหรอกเขาย้ำถามฉันอยู่ประโยคเดียวทั้งสามครั้งไงว่าคุณเป็นยังไงบ้างเมื่อฉันตอบว่าคุณเป็นสุภาพบุรุษไว้วางใจได้ทุกสถานการณ์พี่ใหญ่ก็พอใจแล้วคุณชยัยยานะครับรายนั้นนไม่สงสัยอะไรหรอกแต่ที่แน่แน่ก็คือเขาพอใจคุณมากเหมือนกันไม่เห็นเหรอ ฉันเล่นงานอะไรคุณทีไรอ่ะตาชัยัน่ออกรับหน้าแทนทุกทีเจ้าระพินมองดูแม่ดอกฟ้าของเขาเต็มตาด้วยความรู้สึกอันหวั่นไหวระคนชื่นสุขราชสะกุลสาวผู้นี้มีความเด็ดเดี่ยวและเชื่อมั่นในตนเองเป็นสมบัติประจําตนเสมอต้ น, เ ส, ตนเสมอปลายลงว่าได้ตัดสินใจยังไงลงไปแล้วเป็นปราศจากความลังเลเลอะแหละแม้แต่น้อยผิดไปจากนิสัยของสตรีทั่วไปเขาเห็นมาแต่ต้นเมื่อแรกพบแล้ว ไม่ว่าจะท่าอันเย่อหยิงแข็งกร้าวในยามเป็นอริหรือความอ่อนหวานพักดีอย่างมั่นคงในยามรักแต่สิ่งที่ผู้ชายฐานะต่ำอย่างเขาจะพึงควรคำนึงให้มากที่สุดก็คือบุคลิกอันเป็นผู้นำและผู้วงการของหม่อมราชวงศ์หญิงคนนี้การกำเนิดจากสกุลสูงซึ่งแวดล้อมไปด้วยค่าธาตบริวารฐานะอันร่ารวยปึกแผ่นซึ่งสุซึ่งทรงความมีอิทธิพลในสังคมที่บูชาเงินและวิชาความรู้สูง ในขั้นครูบาอาจารย์สิ่งเหล่านี้แหละที่สตรีมักจะกดบุรุษลงเป็นทาสอยู่ใต้ฝ่าเท้าแม้แต่ว่าบุรุษผู้นั้นจะเป็นสามีที่หล่อนรักก็ตามสตรีประเภทนี้มักจะถือสามีเสมอเยี่ยงบุตรมันเป็นโชควาสนาของเขาอย่างยิ่งที่สตรีสาวสูงสักผู้งามพร้อมหมดทุกคุณสมบัติผู้นี้มาผูกพันรักใคร่ยอยู่กับเขาเหนือกว่าทุกสตรีที่ผ่านมาแล้วในอดีต แต่อนาคตข้างหน้านั้นเล่าอนาคตที่จะต้องพันนึกชีวิตเข้าหากันแล้วเขาก็จะกลายสภาพเป็นบุตรไปฉชนั้นเหรอเรื่องนี้คนที่สติสัมปชัญญะอันรอบคอบและระดับความคิดสูงมองการไกลไม่สักแต่จะเห็นแก่ได้อย่างเดียวเช่นระพินจำต้องคิดให้หนักฐานะอันแตกต่างกันมากก็ย่อมจะเป็นอุปสรรคสาคัญยิ่งอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งจะเป็นจนวนแตกร้่าในการครองชีวิตร่วมกันในวันหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฝ่ายชายเป็นคนไว้ตัวทะนงในศักดิ์ศรีอย่างเขาความจนความรู้สึกที่ครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลาว่าสตรีเป็นฝ่ายอุ้มชูจะสร้างปมด้อยลึกอยู่ในจิตใจยามปกติยามรักหวานสดชื่นก็คงลืมลืมไปซะได้หรอกแต่ชีวิตคู่ก็ย่อมเหมือนลิ้นกับฟันไม่ช้าก็เร็ว ก็อาจต้องมีการกระทบกระทั่งลงและถ้ากระทบถึงปมได้เมื่อไรเมื่อนั้นวิมานรักมักจะถล่มทลายมันสมควรแล้วเหรอที่คนอย่างนายรพินไพร์วันจะฉวยโอกาสนี้โอกาสซึ่งในระยะแรกก็ยอมจะมองเห็นคุณประโยชน์อันดีงามและต่อไปข้างหน้าต้องเสี่ยงกการแตกร้าวพินผังดารินวราฤทธิ์แม่ดอกฟ้าของเขาผู้นี้ ควรจะมีหนทางแห่งความสุขที่มั่นคงยืนยาวต่อไปในภายภาคหน้าซึ่งคู่ชีวิตของหล่อนคงจะไม่ใช่พรานป่าต่ําสักคนนี้แน่นอนหล่อนเป็นดอกฟ้าที่ประดับอยู่ในดวงใจของเขาอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วไม่จําเป็นต้องให้ความฝันเป็นความจริงซึ่งมันหมายถึงว่าเขาเอาเปรียบและฉกฉวยโอกาสจากหล่อนมากเกินไป ระหว่างที่ฝ่ายหนึ่งเงียบเฉยไปด้วยความคิดคำนึงจากสมองและวิญญาณอันสูงส่งอีกฝ่ายหนึ่งพินิษ์อย่างคลางแคลงกังขาดูเหมือนจะจับความผิดปกติจากอาการของเขาได้เอื้อมมือมาเขย่าไหลเบาๆระพินหลอนร้องเสียงสูงอย่างแปลกใจขมวดคิ้วจ้องหน้ามีอะไรผิดปกติเหรอจอมพรานฝืนยิม้มดึงมือหล่อนมาจุบเบา ไม่มีประโยชน์อะไรที่เขาจะต้องอธิบายในความรู้สึกนึกคิดยามนี้กับหลอนความรักอันลึกซึ้งและความเสียสละอย่างไม่เห็นแก่ตัวมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องนำมาเอ่ยอ้างกันด้วยคำพูดการกระทำเท่านั้นที่จะพิสูจน์ได้เปล่าครับไม่มีอะไรครับแต่ฉันรู้สึกว่าคุณจะมีอะไรอยู่ในใจนะทำไมคุณเกิดความขลาดกลัวขึ้นมาใช่แล้วเหรอเมื่อฉันบอกความจริงให้รู้ว่า พี่ใหญ่ระแคะระคายเรื่องราวของเรามันไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกครับอาการของคุณมีกังวลและเมืินๆกับฉันอยู่หน้าระพินแทนคํากล่าวใดๆทั้งสิน้นระพินรวบเอาร่างนั้นเข้ามาไว้ในวงแขนและประทับจูบหนักนุ่งบนริมฝีปากดารินรับรอยจูบนั้นอย่างเต็มใจและจูบตอบด้วยอาการอันอ่อนหวานลึกซึ้งเช่นกัน จะแก่ไขข้อข้องใจของราชสกุลสาวไปได้อย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่งทั้งสองอยู่ในอ้อมกอดของกันและกันครูใหญ่เขาจึงประคองหล่อนขึ้นยืนกระซิบว่าคุณหญิงครับคืนนี้ขอให้เราพบกันเพียงแค่นี้เถอะครับผมอยากจะเชิญเจ้าหญิงของผมให้กลับเข้านอนซะตามเดิมผมบังอาจและโอหังพอแล้วทั้งๆ้งที่รู้ว่าพี่ชายเขาจับตาสังเกตอยู่ ก็ยังกล้าที่จะดึงน้องสาวของเขาเข้ามากอดแนบหัวใจอยู่อย่างนี้แต่อย่าให้มันเนิ่นนานกว่านี้ออกไปเลยนะครับแล้วก็ปลุกอย่าหาว่าไล่ด้วยนะครับดารินพยักหน้าอย่างว่าง่ายดวงตาฉ่ำไปด้วยประกายชื่นบีบมือเขาแน่นอย่างมีความหมายค่ะฉันจะไม่ขัดใจคุณสักครั้งเพื่อพิสูจน์ให้คุณเห็นว่าเราต่างฝ่ายต่างขึ้นอยู่กับเหตุผลนิตราสวัสดนะคะ ร้านที่รักของฉันรพินไพรวันชิดเท้าตรงกรม้มศีรษะโค้งต่ำให้ดารินมองอยู่อีกอืดใจก็พลักเดินกลับไปในบริเวณที่พักนอนยูงทองล่องฟ้าเมคินทวินหวังไอดินโบกบินผินสูพัสุธาดอกฟ้าโน้มกิ่งลงมา จากสวรรค์อาภาให้ดินปรีดาอาวรลำนำเพลงรักอันเงียบหายไปชั่วขณะนั้นบัดนี้แวววิเวกขึ้นอีกแล้วด้วยกระแสทุ้มแผ่วมันดังมาจากซอกหินมุมใดมุมหนึ่งใกล้ๆกล้เบื้องหลังร่างที่ยังยืนนิ่งอยู่ของเขานั่นเอง